จเจริญพรโยมชาว ไ, ไฟฟ้าไฟผลิตในบรรดาหน่วยงานราชการราัวิสาหกิจทั้งหมดนะที่หลวงพ่อเห็นเนียไฟฟ้าไฟผลิตเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ชาวพุทธเข้มแข็งที่สุดที่อื่นสู้ไม่ไดนะ้พวกเราได้ศึกษาปฏิบัติทรรมกันมามากแล้วนะหลายๆรุ่นมาแล้วของการไฟฟ้า ก่อนนี้ก็เห็นไปศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์สายวัดป่ากันแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่พวกเราสนใจธรรมะวันไหนที่มีธรรมะนะชีวิตมันจะมีความสุขมีความสงบคนเราเกิดมาเนี่ยในชีวิตเราเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องการความสุขกันทุกคน ตั้งแต่เด็กๆมาพยายามไปเรียนหนังสือนะโตขึ้นมาหางานท ร, ร ม, มาหาครอบครัวนะทำทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นจริงก็เพื่อจะให้มีความสุขที้ความสุขเนี่ยมันมีหลายแบบความสุขทั่วๆไปที่คนเขารู้จักนะมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นแต่ความสุขในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสามารถทาให้เรามีความสุขอยู่ในตัวเองได้ เป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นไม่อิงอาศัยเวลาด้วยความสุขในโลกในะอยู่ชั่วคราวไม่นานก็หายไปแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าใจเราอยู่กับธรรมะเรามีความสุขอยู่ตลอดเวลายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขนะยิ่งชั่วโ ม, มงบินพลังฝึกปลือมากยิ่งมีความสุขดงนั้นเราต้องค่อยๆศึกษานะธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวธรรมะไม่ใช่เรื่องยาก ธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองการศึกษาธรรมะก็คือการศึกษาตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราได้แก่กายกับใจเราลองมาศึกษาตัวเองคือคอยมารู้กายคอยมารู้ใจบ่อยๆพวกเราแต่ก่อนนี้เราปฏิบัติธรรมหลายคนภาวนามาทั้งหลายปีแต่ชีวิตไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ถ้าเราภาวนาถูกต้องปฏิบัติ ร, รมถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วมีคำว่ารวดเร็ว ด, ด้วยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าหากทามาหลายปีนะแล้วก็เหมือนเดิมสงบแล้วก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบวนเวียนอยู่แค่นี้เองอันนั้นเรียกว่าทามไม่ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างแน่นอน ถ้าทำถูกหลักที่พระพุทธเจ้าบอกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อพวกเราเคยฟังซีดีไหมเวลาเขาสกกันบ้านกันมีคนมาบอกหลวงพ่ออยู่เสมอเลยทุกวันเลยวันหนึ่งหลายๆรายบอกว่าชีวิตจิตใจของเขาเปลี่ยนเขาเคยมีความทุกข์มากนะความทุกข์เขาก็น้อยลงเขาเคยมีความทุกข์นานๆความทุกข์ก็สั้นลงชีวิตมีแต่ความโปร่งโล่งเบามากขึ้นมากขึ้น ตัวเองรู้สึกได้คนในบ้านรู้สึกได้คนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยไปเรียนเป็นครอบครัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไปเรียนกันทั้งครอบครัวแต่เดิมก็ไปคนเดียวก่อนพอมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้คนรอบๆตัวเห็นได้ก็เลยสนใจพากันไปศึกษาทั้งครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่ปฏิบัติธรรมเป็นครอบครัวที่มีความสุขทีแรกเราปฏิบัติธรรมของเราคนเดียวเราก็มีความสุขของเราคนเดียวนะ ความสุขของเรามันแผลซ่านออกไปคนรอบๆตัวเขารู้สึกเขาก็มาปฏิบัติบ้บางเขาก็มีความสุขบ้างในหน่วยงานหน่วยงานที่คนที่ปฏิบัติทำอยู่เนี่ยคนรอบๆตัวนะคนที่ใกล้ๆในหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแต่เดิมเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนร้ายนะอารมณ์ไม่ดีขี้เกียจขี้คล้านอะไรอย่างเงี้ยพอเราภาวนาเราปฏิบัติเข้าเราเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนทางานที่ขยันขันแข็ง เพราะอะไรเพราะความขี้เกียจเป็นจิเลสเป็นความเห็นแก่ตัวนั้นผู้บริหารที่ฉลาดนะเขาจะให้ลูกน้องเนี่ยเรียนธรรมะเรียนธรรมะแล้วการทํางานเขาก็จะดีขึ้นคนจะมีระเบียบวินัยมากขึ้นมีความเสียสละมากขึ้นทุกวันนี้บ้านเมืองเรายุ่งเหยิงไปหมดเพราะคนมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวกันทุกระดับไปหมดเลยนั้นถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวนะบ้านเมืองก็เดือดร้อน เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงคนทุกคนได้แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้ารู้วิธีถ้ารู้ไม่รู้วิธีก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ยนะิ่งไปภาวนาแบบบังคับจิตให้นิ่งนิ่งนิ่งไปเรื่อยนะทำแต่ความสงบอย่างเดียวมันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกมันไปสงบอยู่อย่างเดียวโ่วครั้งโ่วคราวพอหมดแรงที่จะสงบเมื่อไหร่มันร้ายกว่าเก่าแต่ถ้าหากภาวนาเป็นคือจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็น กิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจแม้แต่นิดหน่อยก็มองเห็นลนะวพอมองเห็นนะกิเลสมันก็หลุดออกไปร่วงออกไปชีวิตของตัวเองก็ดีขึ้นนะชีวิตในครอบครัวก็จะดีขึ้นหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นนั้นหน่วยงานที่ฉลาดนะก็ต้องส่งเสริมให้คนมีธรรมะบางแห่งก็ส่งเสริมแต่วิชาการมีนักวิชาการเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่ามันเป็นนักวิชาการที่ยังเห็นแก่ตัวอยู่ มันไม่ได้ช่วยสังคมจริงอ่ะที่นีนะ่นอกจากทางวิชาการเก่งแล้วหลวงพ่อยังชมเชยมากเลยเพราะผู้บริหารแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมีสายตาที่ยาวมไม่มองว่าลูกน้องไปศึกษาธรรมะแล้วเฉยกนละัวจะไม่ทันสมัยทุกวันนี้ใครไม่ศึกษาธรรมะนะล้าสมัยนะใครไม่ฟังซีดีหลวงพ่อปราโมทยนะ์เฉยแหลกเลยนะ ลงไปที่ไหนที่ไหนนะเดี๋ยวนี้คนเขาก็ฟังกันตามร้านชำเขายังฟังเลยมีตามร้านขายของเก่านะขายกระดาษขายอะไรเขาก็ยังเปิดซีดีหลวงพ่อนะเด็กที่เฝ้าเก็บเงินอยู่ตามทางด่วนะใส่หูฟังเรานึกว่าฟังเพลงฟังซีดีหลวงพ่อฟังแล้วมันมีความสุขใจที่มันตื่นนะมันมีความสุขในตัวเองพอ ม, มีความสุขแล้วคุณภาพในการทางานมันเพิ่มขึ้น นี่ทำยังไงนะนี่หลวงพ่อโฆษณาให้ฟังก่อนว่าภาวนาแล้วมันดียังไงภาวนาแล้วมันมีความสุขทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อหน่วยงานนะต่อองค์รวมของชาติเนี่ยยังมองยากเพราะบ้านเมืองมันเต็มไปด้วยคนทุจริตนะโกงกันทุกระดับเลยนะสังคมมันทุจริตเราแก้มันไม่ได้นะเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ยากอะไรเลย ปี 2,525 25, วันที่6กลุ่มผ่าพันธ์หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดุลครั้งแรกหลวงปู่ดุลนะสอนหลวงพ่อประโยคแรกเลยว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะให้อ่านจิตตนเองจิตของเรานะเหมือนหนังสือเล่มใหญ่หนังสือเล่มนี้เหมือนบทประพันธ์ที่ซับซ้อนมาก เดี๋ยวก็มีบทรั ก, รกเดี๋ยวก็มีบทโกรธเดี๋ยวก็มีบทที่มีความสุ ข, สขเดี๋ยวก็มีความทุกข์นะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนักสือเล่มที่อ่านยังไงก็ไม่จบนะจนกว่าจะจบชีวิตแล้วก็เปิดเล่มใหม่อ่านอีกนะถ้าหากเราพอนาเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำอะไรที่แปลกๆกว่ามนุษย์ธรรมดา ในความเป็นจริงธรรมะกับธรรมดานั้นเป็นครรเดียวกันเราจะเรียนจนกระทั่งเรารู้ความเป็นธรรมดาธรรมดาของกายธรรมดาของใจไม่ใช่เรียนยังอื่นพยายามเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรียนรู้ตัวเองธรรมะคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจวิธีเรียนรู้กายวิธีเรียนรู้ใจอย่าไปคิดเอาเองอย่าไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติให้เรารู้กาย <ork l ain> ให้เรารู้ใจ ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงด้วยของจริงที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาการศึกษาธรรมะคล้ายๆการทำงานวิจัยภาคสนามเหมือนการวิจัยภาคสนามไม่ผิดกันเลยเวลาเราจะทำวิจัยภาคสนามนะเราไม่ได้ไปคิดเอาเองว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเราต้องไปดูว่าจริงๆเป็นยังไงยกตัว อ, อย่างอย่างถ้าเราต้องการทราบทัศนคติของคนกรุงเทพเราก็ต้องไปหาทางวัด ว่าจริงๆคนกรุงเทพเป็นไงเราจะมานั่งนึกเอาเองนะว่าคนกรุงเทพเป็นอย่างนั้นคนกรุงเทพเป็นอย่างนี้มันนึกเอาเองมัเชื่อไม่ได้เราต้องไปดูของจริงการศึกษาธรรมะก็คือการวิจัยภาคสนามว่าตัวเราจริงๆเป็นยังไงสิ่งที่เรียกว่ากายว่าใจคือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆนั้นเป็นยังไงเข้าไปดูนะเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายเราคอยรู้สึกอยู่ที่ใจแล้วทําตัวเป็นผู้สังเกตการ เห็นไหมมันไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งหลับตาไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปนั่งได้เป็นวันวันนั่งได้โตรุ่งนะสิ่งเหล่านั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่การเจริญปัญญาที่แท้จริงการเจริญปัญญาที่แท้จริงคือการเรียนรู้ตัวเองว่าจริงๆเราเป็นยังไงคอยรู้สึกตัวก่อนคนเราทําไมเรียนรู้ตัวเองไม่ได้มันยากนักทําไมมันยากนักล่ะนะทั้งๆ ท, ที่ตัวเราก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแล้วทํำไมเราเรียนรู้มันไม่ได้ เราเรียนรู้สิ่งอื่นได้เยอะแยะไปหมดเลยนะเรียนวิศวะเรียนอะไรเยอะแยะได้ปริญญาต ร, ร, รีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนไปเรื่อยๆรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นตัวเองเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราละเลยตัวเองที่สุดเราทอดทิ้งสิ่งที่เรารักไปอันนี้เป็นจุดอ่อนของมนุษย์เลยอย่างคนในบ้านเราใช่ไหในครอบครัวเ ร, เรารักใช่ไมแต่รู้สึกไหมยังอยู่กันนานๆแต่งงานไปหลายๆปีนะ เราเริ่มไม่รู้สึกแล้ว เ, เริ่มมองข้ามเราไม่สนใจคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองก็เป็นคนที่เราสนใจน้อยที่สุดเลย ท, ทั้งที่เราอยากให้ตัวเองมีความสุขเราลืมมันไปการปฏิบัติธรรมนะขั้นแรกสุดเนี่ยอย่าลืมตัวเองถ้าเราลืมตัวเองก็คือเราทอดทิ้งตัวเองนะให้เป็นไปตามยาถากรรมคอยรู้สึกตัวไว้นะคอยรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมเลยถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ความรู้สึกตัวก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรคอยรู้สึกอย่าลืมตัวเองสังเกตไหมเราจใจใจลอยทั้งวันนึกออกไหมใจลอยเราไปคิดเรื่องโน้นเราไปคิดเรื่องนี้ขณะที่เราไปคิดเรื่องต่างๆบางทีก็รู้เรื่องที่คิดบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ว่าจะรู้เรื่องที่คิดหรือว่าไม่รู้ ในขณะนั้นเราลืมกายลืมใจของตัวเองในโลกนี้นะมีแต่คนลืมกายลืมใจหลวงพ่อเทศอันนี้มานานละเป็นสิบปีมาแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชก็พูดอย่างนี้เลยพูดใหม่ๆคนขมเมนนะว่าทำไมไปดูถูกคนทั้งหลายไม่ได้ดูถูกรือพูดซื่อๆนั่นเองในโลกนี้ไม่มีคนที่รู้สึกตัวหรอกในโลกนี้ไม่มีคนตื่นในโลกนี้มีแต่คนที่ ตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจเนี้ยหลับฝันอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ลืมกายลืมใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อลืมกายลืมใจก็ไม่สามารถรู้ความจริงของกายของใจได้ไม่เห็นว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของใจเป็นยังไงลืมตัวเองตลอดเวลาสังเกตไหมเวลานั่งฟังหลวงพ่อพูดบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังฟังนิดนึงก็สลับไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิด บางทีฟังอยู่ดีๆแนละก็ไปคิดเรื่องอื่นบางคนไปคิดเรื่องอื่นไปแล้วห น, ะนีออกไปจากห้องนี้ไปแล้วนะใจของเราเนี่ยห น, นีไปคิดตลอดเวลาขณะที่ใจหลงไปคิดนั้นเราจะลืมกายเราจะลืมใจเมื่อใดลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนะเมื่อนั้นในทางศาสนาเนี่ยเรียกว่าขาดสติคนในโลกนี้ขาดสติคนในโลกไม่มีสติหรอกนะเพราะคนในโลกนั้นหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลา วิธีปฏิบัติธรรมนะั้นเราคอยรู้สึกตัวเหียใจลอยนานใจลอยไปแวบหนึ่งก็รู้ทันว่าใจลอยไปใจลอยแวบรู้ทันว่าใจลอยไปฝึกมากๆนะต่อไปพอใจมันไหลไปคิดปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองวิธีฝึกเบื้องต้นอันนี้บอกวิธีไปเลยนะวิธีเบื้องต้นที่เราจะฝึกให้เกิดสตินะเราเลือกกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราถนัดแต่ต้องเป็นกรรมฐานที่ทำแล้วไม่ไปเพ่งให้ใจนิ่ง คนไหนถนัดพุทโธนั้นก็ต้องพุทโธในใจพุทโธเล่นๆพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วประเดี๋ยวเดียวใจจะแอบไปคิดเรื่องอื่นพุทโธพุทโธแวบไปเรื่องอื่นละเราก็รู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็หายใจไปหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่หายใจให้จิตสงบไม่ได้หายใจให้จิตนิ่งไม่ได้หายใจเอาเคลิม แต่หายใจแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองหายใจไปหายใจไปนะจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นก็ให้รู้ทันวันไหนพุทโธก็ไม่เป็นหายใจก็ไม่เป็นสวดนมนต์เอาก็ได้นะ阿拉หังซัมมาสัมพุทโธพัควาอะไรเงี้ยสวดมนต์ไปแล้วใจลอยแวบไปคิดเรื่องอื่นนะปากก็ยังสวดได้นะเพราะสวดด้วยไขยสันหลังสวดด้วยความเคยชินปากก็สวดไป阿拉หังซัมมาใจก็คิดไปเลย เย็นนี้จะไปเที่ยวไหนดีกลางวันนี้จะไปกินข้าวกับใครอย่างี้นะแล้วก็รู้ทนันรู้ทันใจที่มันแอบไปคิดบ่อยๆคนไหนชอบดูท้องฝ่องยุบก็ดูท้องฝ่องยุบแต่ไม่ได้ดูแล้วให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูแล้วก็ค่อยรู้ทันจิตวิ่งไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็ค่อยรู้ทันดูไปดูไปจิตแอบไปคิดแวบรู้ว่าจิตหลงไปคิดละ หรือไปเดินจงกรมก็ได้เดินไปเดินมานะเดินสบายๆไม่ได้เดินให้สงบไม่ได้เดินให้สบายแต่เดินให้คอยรู้ทันใจที่แอบไปคิดถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าใจเราแอบไปคิดนะเมื่อนั้นเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของความฝันในฉับพลันเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อนะต้องเร็วด้วยเห็นไหมต้องฉับพลันด้วยเห็นหมเพราะอะไรพระธรรมมาของพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ชัดเจนเลยว่า ธรรมะของท่านเป็นธรรมะของมหาบุรุษคือของคนผู้ยิ่งใหญ่ธรรมะของท่านมีคุณสมบัติประการหนึ่งก็คือไม่เนิรนช้าถ้าภาวนาแล้วเนิ่์นช้านะต้องรีบทบทวนวะ่าทำผิดแน่นอนฝึกมาหลายปีแล้วก็เหมือนเดิมร้ายเหมือนเดิมชั่วเหมือนเดิมเร็วเหมือนเดิมนะมีความทุกข์มากเหมือนเดิมต้องทำผิดแน่นอนเลยถ้าอยากทำให้ถูกนะเบื้องต้นหัดรู้สึกตัววิธีหัดความรู้สึกตัว หาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนไปเดินจงกรมก็ได้เดินไปเดินมาใจลอยไปคิดแล้วรู้ทันบางคนถนัดแบบหลวงพ่อเทียนขยับมือขยับไปขยับไปใจแอบไปคิดแล้วคอยรู้ทันให้คอยรู้ทันใจของเราที่วิ่งไปวิ่งมาถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตแอบไปคิดนะเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยสอนเหมือนกันที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยองค์ที่สอนต่างออกไปเราก็ไม่ไปเรียนด้วย แตทุกองคทุกองค์งที่เข้าไปเรียนนะมีแต่ท่านสอนให้มีสติให้รู้สึกตัวทางนั้นเลยหลวงปู่ดูลย์บอกให้รู้สึกตัวจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่ส่งออกนอกให้จิตตั้งมั่นจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตรู้สึกตัวนั่นเองบางองค์อย่างอาจา ร, รย์มหาบัวท่านก็สอนว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกมีสตินะรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใช่ไหมให้มีสติให้รู้สึกตัวไว้คอยรู้สึกรู้กายรู้ใจไปนะบางองค์อย่างหลวงปู่ทาท่านก็บอกมีสติรักษาจิตไว้ คือเราคอยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราเราคอยรู้ทันหนะลวงพ่อเทียนก็สอนดีนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคนในโลกนี้ไม่รู้หรอกว่าจิตคิดคนในโลกนี้รู้แค่ว่าจิตมันคิดเรื่องอะไรเราไปรู้เรื่องที่จิตคิดนะแต่เราไม่เคยเห็นว่าจิตกําลังหลงไปคิดอยู่ ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดอยู่เราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลทันทีที่ตื่นขึ้นมานะมันเหมือนเราตื่นจริงๆแล้วเราจะรู้เลยว่าหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าเล่นๆคนในโลกมันไม่เคยตื่นมันหลงตลอดเวลาเลยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของความฝันโลกของจินตนาการไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงแต่ถ้าเรารู้ทันจิตที่แอบไปคิดปั๊บจิตไหลไปคิดปั๊บรู้ไหลไปคิดปั๊บรู้เราจะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ว่าความตื่นเป็นยังไง เมื่เรารู้ว่าความตื่นเป็นไงเนี่ยเราจะถึงจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราหลับมาตลอดเลยเราไม่เคยตื่นนะเราฝันมาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฝันไปเรื่อยๆฝันทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ลืมตานี่แหละเพราะฉนั้นความตื่นนะเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติหลวงพ่อเตียนถึงสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตชิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดก็คือใจมันจะตื่นขึ้นมาได้ต้นทางยังไงก็จะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ ถ้าจิตไม่ตื่นจิตยังคิดคิดเอาก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ฉะั้นเรให้เราคอยรู้ทันนะทุกคนพ ย, พยายามฝึกเอาไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะแต่เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวของเราเพื่อหน่วยงานของเรานะพยายามหัดรู้สึกตัวขึ้นมาคนเราทําผิดคนเราทําชั่วคนเราทําบาปได้เพราะขาดสติเท่านั้นเองถ้าเรามีสติเราคอยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยกิเลสใดใดเกิดขึ้นในจิตใจเราจะเห็นอย่างรวดเร็วเลยนะ แค่ขี้เกียจทำงานเราก็เห็นว่าขี้เกียจเราความขี้เกียจมันจะกระเด็นออกไปเลยนะเราจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ขยันขันแข็งหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เคยทำงานราัฐวิสาหกิจเมื่อก่อนอยู่ TOT เข้าไป TOT นะไปสตาร์ทเนี่ยตัวเป็นผู้บริหารเลยแต่เดิมรับราชการอยู่แล้วก็ลาออกจากราชการนะ่อไปสมัครเข้า TOT แต่ไม่ได้ไปสมัครแบบเด็กๆทั่วไปเราเอาประสบการณ์ไปสมัครงานนะเขาให้เป็นผู้ใหญ่เลย เราเข้าทำงานทีหลังเขานะแต่ว่าเราก็โตรเร็วเพราะว่าเรามีสติดีนะเวลาหลวงพ่อทำงานนะบางทีผู้ใหญ่มายืนรอเลยผู้อำนวยการเมื่อก่อนผู้อำนวยการกับรองอนะไรนี้มายืนรออยู่หน้าโต๊ะเรานะเป็นเพิ่มแรงกดดันให้เราอีกเดี๋ยวจะมารอเซน็นเวลาเราทำงานเราทำได้เร็วทำได้แม่นทำได้เร็วนะเรามองได้ไกลเพราะเรามีสติฝึกไว้นะ เวลาทํางานแล้ว ง, งานจะดีขึ้นด้วยสล้วเราคอยรู้ทันนะใจเริ่มลอยรู้สึกไหมใจเริ่มลอยแล้วให้รู้ทันว่าใจลอยไปใจแอบไปคิดให้รู้ทันว่าใจแอบไปคิดฝึกไว้นะเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อไม่ได้ประโยชน์อะไรที่พวกเราจะรู้ตัวหรือพวกเราจะหลงโลกอย่างเดิมไม่มีประโยชน์อะไรหลวงพ่อไม่ได้ยึดถืออะไรพวกเรามาสอนให้นะนิมนต์มาก็มาสอนให้นะน ด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อกันในฐานะที่เป็นเพื่อนชาวพุทธด้วยกันดังน้นะ เ, รเราทำเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้นพยายามมีสตินะรู้สึกกายพยายามมีสติรู้สึกใจคอยรู้สึกเรื่อยใจหนีไปคิดถ้าใจหนีไปคิดนะก็จะไม่รู้สึกกายรู้สึกใจพอใจหนีไปคิดเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้ เรารู้สึกไปมากๆากเราจะเริ่มเห็นความจริงของกายของใจเราจะเห็นความจริงที่สําคัญมากเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวจาไว้นะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยความทุกข์เราจะหายไปเกือบครึ่งหนึ่งนะหรือบางคนหายไปเยอะเลยคนทุกวันนี้ที่ดิ้นรนทุรนทุรายจมอยู่ในความทุกข์เนี่ยนะเพราะคิดว่าโลกนี้มันจริงจังเหลือเกิน เวลาความสุขเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวทุรนทุรายอยากจะได้ให้มันอยู่ตลอดเวลาเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวทุรนทุรายที่อยากให้มันหายไปเร็วๆถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นความจริงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานะจะทางร่างกายหรือทางจิตใจก็ตามเป็นของโชว่วคราวคราวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเราจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกความทุกข์จะลดลงไปเยอะเลย อย่างเรารู้สึกนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยเราจะเห็นในร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ทำอะไรอะไรนะก็มีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมเรานั่งเราต้องกระดุกกระดิกไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบคั้นลองนั่งแล้วไม่กระดุกกรนะดิกสิทุกข์แทบตายเลยเราต้องกระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าหนีความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนะเราต้องหายใจออกเราต้องหายใจเข้าเพื่อว่าหนีความทุกข์ หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ไม่หายใจก็ทุกข์เห็นไหมมีแต่ความทุกข์อยู่ในกายเนี่ยพอเราหัดตามรู้มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราเห็นกายมันบ่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดเลยกายนี้เต็มไปด้วยตัวทุกข์เมื่อกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยต่อไปกายนี้แก่ตัวทุกข์มันแก่แล้วเราเดือดร้อนอะไรอ่ะสมน้ําหน้ามันมันเป็นตัวทุกข์มันจะแก่ละตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันจะตายสมนนนน้้ําาาหมัอยกกทุี่ แม้เพราะงั้นไม่ว่าเราจะเกิดสภาวะของความเจ็บความแก่ความตายมันจะไม่ทุกเท่าไหร่หลวงพ่อเคยสอนพระองค์หนึ่งนะท่านเคยมาเรียนที่วัดแล้วนะท่านเป็นโรคแบบโรคเกี่ยวกับโรคพุ่มพวงที่พุ่มพวงเป็นหลวงพ่อกล่าวว่าวันอังคารนี้ท่านตายแน่วันจันทร์รีบไปเยี่ยมท่านแล้วไปให้กําลังใจท่านไปบอกท่านบอกอาจารย์รอบนี้ตายแน่นะ ยังไงก็ตายรอบนี icamente, mm ้ไ hmm. ม <des> ่รอดแล้วล so ่ะให้ดูกายมันตายใจเราเป็นคนดูนะใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเจ็บเห็นร่างกายมันตายเห็นร่างกายมันทุรนทุรายใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากเนยท่านทําได้จริงๆท่านเห็นร่างกายมันท่านดูกายมันตายไปนะใจของท่านสบายไปใจของท่านไม่ถูกไปด้วยเนี่ยพอยอมรับความจริงแล้วกายนี่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะพอความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาถึงตัวเนี่ยไม่ทุรนทุรายละ คนทั่วๆไปทุรนทุรายถ้าเราหัดดูใจของเราเรื่อยๆเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวเพราะเราเห็นความจริงอย่างนี้มากๆนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริงว่ามันจะต้องอยู่นานความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุรนทุรายรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไป ไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรทุกอย่างนี้ชั่วคราวหมดเลยนี่เราหัดมาภาวนานะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมารู้กายมารู้ใจล้วจะเห็นในกายนี้ก็ของชั่วคราวใจนี้ก็ของชั่วคราวการเห็นว่ากายเป็นของชั่วคราวใจเป็นของชั่วคราวเรียกว่ามีปัญญาปัญญาในทางศาสนาพุทธนี่เป็นปัญญาที่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไม่ใช่ปัญญาฉลาดฉลาดอย่างโลกโลกคนฉลาดอย่างโลกโลกนะเป็นด็อกเตอร์ ก็ยังเห็นมีความทุกข์เยอะแยะไปทุกข์ก็เหมือนกับคนอื่นนั่นเองอาจจะทุกข์มากกว่าคนอื่นอีกเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยอ่านหนะังสือเล่มหนึ่งเขียนมาหลายสิปีแล้วสมัยนั้นฝรั่งกําลังตื่นตัวกลัวนิวเคลียร์คนไทยก็ไปบอกฝรั่งบอกว่าประชาชนไทยไม่เคยกลัวนิวเคลียร์เลยเราไม่รู้จักไอ้ <c oughs> คนนะยิ่งฉลาดมากยิ่งรู้มากก็ยิ่งมีโอกาสทุกข์มากเลนะต้องรู้ทันตัวเองนะคอย ร, ร, รู้สึกตัวนะ เห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานดูนไปเรื่อยใจเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเฝ้าดูไปอย่างเนี้ถึงวัานึงใจมันยอมรับความจริงกายนี้ก็ของชั่วคราวจิตใจนี้ก็ของชั่วคราวถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้แล้วความทุกข์มันจะหายไปเยอะเลยอย่างความทุกข์ทางใจมันเกิดจากอะไรบ้างนะการที่เราต้องเจอสิ่งที่เราไม่รักสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ทําให้เรามีความทุกข์ทางใจนะ การที่เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่เราชอบมันก็ทําให้เรามีความทุกข์ทางใจการที่เรามีความอยากและไม่สมอยากเนยมันก็ทําให้เรามีความทุกข์ทางใจดังนั้นใจเราเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเรามีมีสตินะเราเห็นว่ทุกอย่างชั่วคราวเจอของที่ไม่ชอบเนี่ยเรารู้ว่าชั่วคราวก็ไม่เห็นจะเป็นไรเดี๋ยวมันก็ไปเจอของที่ชอบเราก็รู้ว่าชั่วคราวนะพอมันหายไปเราก็ไม่เห็นจะต้องเสียใจเลย เพราะว่ามันของชัวคราวอย่างเรามีแฟนสักคนนะแฟนมันหนีไปถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราคิดว่าแฟนเราต้องเที่ยงนะต้องดีกับเราตลอดกาลนานอะไรเงี้ยเราก็ต้องทุกข์ใจเห็นไหมคาดหวังแล้วไม่ได้อย่างที่คาดหวังก็ทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้นะทุกอย่างในโลกนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงเราดูที่ตัวเองนี่แหละเรียนที่ตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งใจมันยอมรับได้กระทั่งกายกับใจของเรายังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยใกล้กับใจคนอื่นเขาก็เปลี่ยนได้ ต่อไปนะใครจะทำมัยังไงเราไม่ทุกข์กับมันหรอกเนี่ยเป็นวิชาที่จะทําให้เราอยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆยถ้าอยากจะไม่ทุกข์เลยก็ต้องเรียนให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปบ่อยๆฝึกของเราไปทุกวันทุกวันนะปัญญามันแก่กล้าขึ้นมามันเห็นเลยทุกอย่างมันในชั่วคราวหมดทั้งกายทั้งใจพอเห็นแล้วความทุกข์มันจะตกหายไปไม่ยากนะไม่ยาก หลวงปู่ดูลถึงบอกหลวงพ่อว่าไม่ยากครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยนะถ้าคุยกับท่านนานๆนะถึงจุดหนึ่งท่านก็จะแแวบออกมานะบอกไม่ยากหรอกไม่ยากะบางองค์เคยบอกหลวงพ่อเลยนะตอนหลวงพ่อจะไปบวชไปลาท่านจะไปบวชแล้วครับท่านบอกประโมุ่นจำไว้นะประโมุ่นง่ายนะง่ายท่านกลัวว่าเราจะไปทําอะไรแบบมั่วๆนะแล้วยิ่งภาวนายิ่งลําบาก แท้จริงแล้วต้องภาวนาต้องง่ายค่ธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามันไม่เหมือนการทำสมถะสมถะทำยากวิปัสสนานั้นทำง่ายสมถะนะจิตไม่ดีต้องหาทางทำให้ดีจิตไม่มีความสุขต้องหาทางทำให้มีความสุขจิตไม่สงบต้องหาทางทำให้สงบเมื่อดีแล้วมีความสุขแล้วมีความสงบแล้วต้องหาทางรักษายากไหมจิตที่ฟุ้งซ่านจะทำให้สงบยากนะ ยากไหมจิตที่โกรธจะทําให้หายโกรธก็ยากจิตจะต้องดีอย่างโน้น Dial ดีอย่างนี้ต้องมีความสุขตลอดเวลายากไหมที่จะมีความสุขตลอดเวลายากนะทํายากทํายังไงจะมีความสุขตลอดเวลาทําไม่ได้หรอกแต่วิปัสสนานะง่ายกว่านั้นวิปัสสนานะจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขจิตไม่มีความสงบรู้ว่าไม่มีความสงบรู้แล้วจะได้อะไร รู้เราเราจะเห็นเลยจิตไม่ดีก็ไม่ดีชัว่วคราวจิตดีก็ดีชัว่วคราวจิตไม่มีความสุขนะืก็ไม่มีความสุขชั่วคราวมีความสุขก็ชั่วคราวเหมือนกันะจิตไม่สงบมันก็ชัว่วคราวจิตฟุ้งซ่านเนก็ชัว่วคราวใช่ไหมจิตสงบก็ชัว่วคราวทุกอย่างชัว่วคราวหมดเลยเราแค่เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวแล้วมันยากอะไรเราไม่ได้เข้าไปแทรกแสงถ้าเราเข้าไปดัดแปลงนะไปพยายามดัดแปลงไปพยายามแก้ไขพยายามรักษาอันนั้นเราถึงจะยาก การปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ยากคอยรู้กายคอยรู้ใจไปอย่าใจลอยเท่านั้นแหละะในขณะเดียวกันอย่าไปเพ่งไว้ชาวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจํานวนมากเลยที่สนใจการปฏิบัติธรรมนะเป็นนักเพ่งอาชีพที่ไปเรียนกับหลวงพ่อถูกหลวงพ่ อ, ง, พองัดแยะแครออกมากระเด็นออกมาหลุดออกมามีสติขึ้นมาเนี่เยอะแยะไปหมดอะแต่มือเพ่งอาชีพก็ยังพอมีอยู่บ้างนะถ้าเราเพ่งแล้วความเสียหายมันอยู่ที่ไหน ควาเสียหายก็คือถ้าพอเราเพ่งลงในกายรู้สึกไหมร่างกายก็จะนิ่งๆเพ่งไปที่จิตจิตก็นิ่งๆคราวนี้มองไปทีไรมีแต่ของเที่ยงแทนที่จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็กลายเป็นของเที่ยงแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะก็รู้สึกว่ามันเป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้ก็รู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้แม้ยิ่งภาวนานะถ้าเราเพ่งเอาเพ่งเอาเราจะได้มิจฉาทิฐิแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานจะกลายเป็นเห็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมา ดังนั้นจะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงหรอกดังนั้นอย่าไปเพ่งไว้นะให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านจนรู้กายรู้ใจไม่ได้ก็อค่อยไปทําความสงบขึ้นมาสมถะนี่เอาไว้พักผ่อนะวิปัสนาคือการทํางานที่แท้จริงถ้าเราอยากรวยใช่ไหมเราก็ต้องทํางานไม่ใช่พักผ่อนมากๆแล้วก็รวยขึ้นมาเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราอยากมีปัญญาพ้นทุกข์เราก็ต้องทําวิปัสนาไม่ใช่ทําแต่สมถะ ทำสมถะไปเรื่อยๆไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเพ่งไว้นะสิ่งที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปทำเนี่ยมีสองอันเท่านั้นอันแรกใจลอยไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดทําให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เวลาเราไปคิดเราจะลืมกายลืมใจอันที่สองที่บอกว่าไม่ควรทำนะั่คือการไปเพ่งไว้พวกเราหลายคนเวลาคิดถึงการปฏิบัตินะี่จะเพ่งปับ๊บเลยจะเดินจงกรมก็ต้องเริ่มต้นด้วยการวางฟอร์มใช่ไหมต้องวางฟอร์มใช่ไหม ถ้าแมวมือไว้ข้างหน้าก็ต้องไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยเดินก็ต้องเดินไม่ใช่อย่างที่พ่อที่แม่เราพาเดินมาพระพุทธเจ้าสอนทำมาง่ ay, ายๆจำไว้นะอย่าง a, ท่านสอนการเดินเนี่ยท่านสอนบอกพิสูจทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่รู้ชัดคือรู้ตัวอยู่นะแล้วก็เห็นไอ้ตัวที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนนะ เรียกเรียกรูปไปเรื่อยๆเห็นมันทำงานมันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยว่าภิกษุทั้งหลายการเดินนั้นมีเท่านี้เท่านี้จังหวะไม่เคยสอนเลยใช่ไหมอาจารย์ชั้นหลังๆนี่แหละพัฒนาคำสอนขึ้นมาเองนะได้ได้สอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้หรือพระพุทธเจ้าสอนอานาปนสติท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวกริยาคือคาว่ารู้นะ เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมกริยาคือคำว่ารู้เมื่อหายใจเข้าสั้นก็ ร, รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหยุดหายใจรู้ว่าหยุดหายใจกริยาคือรู้ท่านไม่เคยสอนเลยว่าการรู้ลมหายใจนั้นต้องมีฐานกี่ฐานลมต้องกระทบกี Wie ่แห่งพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยมันเป็นคาสอนที่เกิดขึ้นชั้นหลังๆัง ถ้าเราเป็นชาวพุทธฝ่ายเทรวาทที่แท้จริงเราต้องเชื่อมติของพระมหาเถระที่เราชื่อว่าเทรวาทหมายถึงเถรวาทะเทรว า, าทะคือวาทะของพระเถระหมายถึงมติของพระเถระซึ่งไปร่วมการสังายนาพระอระหันต์ห้รอองค์ที่ไปสังายนาครั้งแรกที่พระมหากัสปะเป็นประธานพอสังขยาพระตรปิดกเสร็จนะพระมหากัสปะก็เสนอยัตติบอกว่าพวกเราจะต้องเชื่อฟังคาสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่ตัดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราจะไม่เติมสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนดงนั้นถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธเถรวาทที่แท้จริงนะเราต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนว่าหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวยืนก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวเราก็ฝึกรู้สึกตัวรู้ไปสบายๆนะเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นจิตมันคิดนึกปรุงแต่งเห็นจิตมันสุขมันทุกข์จิตมันดีมันร้าย เราทําหน้าที่แค่ตามดูมันไปดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุจิตใจก็เป็นเป็นาธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นวิญญาณาธาตุนะมันก็ทำงานของมันไปเรื่อยๆมันทำงานของมันได้เองเช่นใจของเราเนี่ยมันใจลอยได้เองสังเกตให้ดีนะอา้าทุกคนลองมองหน้าหลวงพอ่อนะมาสบตาปิ้งๆกันมานะพยายามดูหลวงพ่อนะ สังเกตไหมถ้าไม่เดบประเพ่งหลวงพ่อนะดูหลวงพ่อได้แวบเดี๋ยวจะต้องหนีไปคิดยิ่งได้ฟังเทศไปด้วยนะฟังเทศไปด้วยแล้วก็มองไปด้วยคิดไปด้วยใจมันจะสลับกันตลอดเวลาเห็นไหมจิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้นะนะนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังได้สองสามคำก็ต้องสลับออกไปคิด ดูให้ดีเราฟังไปคิดไปแล้วที่เราบอกว่าฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องน่จริงๆฟังไม่รู้เรื่องหรอกที่บอกว่ารู้เรื่องนะรู้เรื่องเพราะคิดเอาเองนะรู้เรื่องเพราะคิดนะถ้าฟังแล้วไม่คิดนะ่ฟังไม่รู้เรื่องเลยเฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเราเข้าใจธรรมะด้วยการฟังนั้นจริงๆคิดเอาเองทั้งสิน้นคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้พระพุทธเจ้าเลยไม่ยกย่องเท่าไหร่หรอกการหาความรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิด เบื้องต้นก็ต้องอ่านต้องฟังต้องคิดนะให้รู้วิธีปฏิบัติแต่พอเราลงมือปฏิบัติจริงแนละต้องดูของจริงการดูของจริงนะี่เรียกว่าดูไปเรื่อยนะจนเกิดปัญญาเห็นความจริงด้วยการที่ตามรู้ตามดูเรียกว่าภาวนาเมยปัญญาปัญญาตัวนี้จะทําให้เกิดมรรคผลนิพพานได้ปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังการคิดไม่ทําให้เกิดมรรคผลนิพพานสังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บใจเราวิ่งเลยดูออกไหมหลวงพ่อแกล้งหยุด รู้ออกไหมใจหนีปุ๊บปับปบ๊ใจหนีไปแล้วหัดรู้ไม่ใช่บังคับไม่ใช่บังคับไม่ให้ใจลอยไม่ใช่บังคับไม่ให้ใจหนีไปคิดแต่ให้หัดรู้ไปเรื่อยๆใจหนีไปคิดแล้วรู้ว่าเ้าหนีไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันกริยาตัวเดียวของผู้ทํำวิปัสสนานะคือคําว่ารู้นะมีแต่คําว่ารู้พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เรารู้ ศา ส, สนาพุ ท, พทธแปลว่าไรพุทธแปลว่ารู้นะเพะั้นเราศาสนาแห่งการรู้การปฏิบัติธรรมนะก็มีแต่เรื่องรู้ท่านบอกว่าทุกให้รู้เใช่ไหมท่านไม่ได้บอกว่าทุกให้ละทุกให้กําหนดทุกให้บังคับท่านไม่ได้สอนเลยท่านบอกทุกให้รู้สติปัฏฐานลองดูสิท่านสอนว่าหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนก็รู้จะคู้จะเหยียดก็รู้นะ มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้โลภก็รู้ไม่โลภก็รู้โกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงก็รู้ยังไม accent, ่มีแต่คําว่ารู้พวกเราลองเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะต่อไปนี้เราทําตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ ด, ดูดูกายทํางานดูใจทํางานถ้าเราทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะไม่นานเราจะเข้าใจความจริงเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้ที่เห็นความจริงแล้วใจยอมรับความจริงได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้นั้นเป็นพระโสดาบัน เราอย่าไปวาดภาพว่าพระโสดาบรนคืออะไรอย่างหนึ่งที่ยากต้องทําอีกแสนแสนชาติถึงจะบรรลุถ้าทําผิดนะอีกกี่แสนชาติก็ไม่บรรลุหรอกแต่ถ้าทําถูกจะบรรลุในเวลาอันไม่นานไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าบอกบอกว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานคืออะไรคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้อะไรบ้างนะ อย่างน้อยเลยะท่านบอกอย่างน้อยเลยสมัยคนสมัยพุทธกาสนะอย่างน้อยท่านได้พระอนาคาของเรานะอย่างน้อยได้โสดาอินทรีย์เรายัางอ่อนนะได้น้อยหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยได้โสดาแล้วจะเริ่มปลอดภัยคนไหนพอได้เป็นพระโสดานะใจมันจะอบอุ่นมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่แนละไม่ใช่ลูกกาพร้าคนในโลกนี้เหมือนลูกกําพร้านะร่อนเร่ไปเลยมีชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้เลยไม่รู้ทิศทาง แต่ถ้าใจของเราได้โสดาบันนะเรารู้เลยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเยอะเลยเนะพราะพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราครูบาอาจารยนะ์ผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยกันให้เป็นพี่เป็นน้องเรานะใจมันมีความอบอุ่นนะมันเหมือนคนที่หลงทางมานานแล้วก็รู้ว่าบ้านเราอยู่ทางนี้แหละทางกลับบ้านเราไปทางนี้แหละคนทั่วๆไปคือเด็กหลงทางอยู่ไม่รู้เลยว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมีชีวิตอยู่แค่ตามๆกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้น แต่คนทิศไหนที่ได้โสดานะจะรู้เลยว่าทิศทางหรือเป้าหมายในชีวิตของเราอยู่ที่ไหนเราจะต้องพัฒนาตัวเองจนพ้นจากความทุกข์ในวันหนึ่งข้างหน้าตอนนี้ทุกน้อยลงต่อไปต้องไม่ทุกเลยนะค่อยๆฝึกนะเมื่อเช้าก่อนที่หลวงพ่อจะมาหลวงพ่อได้ยินเสียงก่อนที่จะเข้ามาเทศได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศไว้แล้วนะเรื่องอริยสัจเข้าใจเปิดนะเรื่องอริยสัจเนี่ยถ้าใครรู้แจ้งนะจะข้ามภพข้ามชาติ ถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจนะยังข้ามพบข้ามชาตไม่ได้แต่ว่าตอนผ่านสอนเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สอนถึงอริยสัจพวกเราเรียนให้ได้โสดาบันก่อนพอเป็นพระโสดาบันแล้วค่อยมาเรียนว่าทํำยังไงจะเป็นพระอรหันต์จะเรียนเป็นพระโสดาบันนะัก็คือให้รู้สึกตัวนะอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจนะให้รู้สึกกายรู้สึกใจแหละแค่นี้แหละดูไปเรื่อยๆดูกายทํางานดูใจทํางานแล้ววันหนึ่งจะได้โสดาบัน ถ้าจะมากกว่านั้นนะก็อคอยรู้กายรู้ใจไปเชิญเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะปล่อยวางพอปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจแล้ควครั้งนี้เขาเรียกว่าพ ร, าาระอรหันต์เราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละความทุกข์จะเหลือที่ร่างกายเท่านะแต่ทางจิตจะไม่มีความทุกข์อีกเลยนะจิตจะโปร่งโล่งเบามีความสุขอยู่อย่างนั้นแนะหะทั้งวันทั้งคืนไม่เหลือวิสัยนะธรรมะที่พูดให้ฟังนี้ไม่เกินวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาจะทําได้คนที่ผิดธรรมดาทําไม่ได้ คนที่ผิดธรรมดาก็คือคนซึ่งไม่ปกติคนไม่ปกติคือคนไม่มีศีล น, นะถ้าเรามีศีลไว้เราเรียกว่าคนปกติแนละ้วไม่เหลือวิสัยหรอกถ้าเรามีศีล น, นะใจเราจะสงบใจเราจะตั้งมั่นง่ายาใจเราสงบใจเราตั้งมั่นนะเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูกายดูใจทำงานเรียกว่าการเจริญปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาบริบูรณ์ขึ้นมานะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเกิดเอง ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะมันเกิดขึ้นเองนะเกิดขึ้นเองเพราะั้นพวกเราต้องทำเหตุเหตุก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาก่อนรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจเขาทำงานไปไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจตื่นขึ้นมาแล้วก็มารู้กายมารู้ใจตื่นขึ้นมาแล้วอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจนะ น, นี้เทศน์นี้ก็พอแล้วนะแค่นี้ก็ภาวนาหลายปีแล้ว พ่อไปฟังหลวงปุดูลครั้งแรกนะภาวนาอยู่เจ็ดเดือนภานะวนาไปส่งกันบ้านท่านอีกรอบนะไปภาวนาต่ออีกนะเป็นขั้นๆเป็นลำดับลำดับไปความทุกข์มันก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะเอวันนี้เทศเท่านี้ก็พอแล้วนะมากกว่า น, นี้เดี๋ยวจะลำบากมีไหมเกตนไหมตอนนี้พวกเราใจของเราวิ่งไปดูคนที่ถือไม้มารู้สึกไหม หลวงปู่ดูลเรีว่าจิตส่งออกนอกจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองแล่นเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้นะรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละเป็นต้นทางการปฏิบัติแล้วก็ถ้าไม่เพ่งกายเพ่งใจไม่นานก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ผู้ที่เห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงเบื้องต้นจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะได้เป็นพระโสดาบันถ้าเห็นความจริงในเบื้องกลางก็จะเห็นว่า กายนี้มันทุกล้วนๆถ้าเห็นถึงขีดสุดนะ่จะรู้เลยจิตนี้เป็นทุกล้วนๆมีไหมใครจะถามอะไรกลาบกลาบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะโอ้โหศุนทรพจน์เอา้าสั้นๆจากการาตามดูสภาวะจากการฟังซีดีการตามฟังธรรมะของหลวงพ่อตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ากายมันอยู่ห่างหาง กายมันอยู่ห่างต้องดูให้ดีนะมันห่างโดยที่ใจของเรารู้อย่างสบายๆหรือใจเราประคองไว้โปรงแต่บางครั้งประคองเพราะเรารู้ว่าประคองอย่าง<ร>ขณะเนี้ยขณะจิตเนี้ยมันประคองอยู่นะต้องเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่าไปประคองถ้าประคองไม่ใช่ของจริงต้อนงะปล่อยมันถ้าภาวนาเป็นนะกายจะอยู่ห่างๆคราวนี้มันอยู่ห่างๆเราเห็นคนที่อยู่ไกลๆเราก็มีความทุกข์นะเราไม่ทุกข์ด้วยนึกออกไหมถ้า ข้ากายนี่อยู่ห่างๆขึ้มานะกายนี่เป็นอะไรขึ้นมาใจเราจะไม่ทุกข์การฝึกนะแต่ต้องระมัดระวังอย่าไปประคองตัวรู้เอาไว้ประคองใจให้อยู่ห่างๆถ้าประคองใจเอาไว้ยังใช่ไม่ได้นะเกินจริงใช่ไหมคะมันจริงสินะตอนนี้เกินจริงที่ผ่านมาตอนหลังๆก็เริ่มไม่เกินจริงและ ว, วันนี้มาเปลี่ยนที่แล้วคนเยอะๆเลยเกินจริงขึ้นมาอีก ทุกทีคิดว่าเขาจะจับฉลากแต่ปรากฏว่าพอใส่ชื่อไปแล้วได้ได้ขึ้นมาก็ดีใจด้วยตกใจด้วยค่ะหลวงพ่ออ๋อคนต่อไปกลับในวัสการพระอาจารย์ค่ะเพิ่งฝึกปฏิบัติได้ไม่นานค่ะจากการไปที่สารลุงชินแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อเจ้าค่ะทีนี้รู้ตัวว่าเป็นคนหลงไปคิดคิดแบบ จินตนาการด้วยค่ะหลวงพ่อเหมือนฝันกลางวันนะคะมันก็ฝันกลางวันทุกคนแหลยทีนี้ในขณะที่รู้ว่ากําลังคิดกําลังฝันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นั้นนะคะหลวงพ่อรู้อยู่ว่ากําลังคิดแต่มันหยุดคิดไม่ได้จิตมีหน้าที่คิดเราไม่ได้ฝึกให้หยุดคิดคก็คือเหมือนมืนมันก็ไม่ตื่นเจ้าค่ะก็คือครับเมื่อไหร่เร า, เ ร, ารู้ว่าจิตคิดเราจะตื่นเราไม่ได้ฝึกให้หยุดคิดนะไม่ใช่ว่าจิตหยุดคิดแล้วตื่นนะจิตไม่เคยหยุดคิดแต่จิตมีหน้าที่คิด เราก็ไม่ได้ฝึกตัวเองให้เลิกคิดเพราะเราไม่ได้ฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหินเมื่อเราเป็นมนุษยธรรมดาจิตขเราจะคิดตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยพอจิตมันคิดแล้วเนี่ยไม่เคยรู้ทันว่าจิตคิดรู้แต่เรื่องที่จิตคิดเมอคิดไปเรื่องดีก็มีความสุขคิดไปเรื่องร้ายก็มีความทุกข์คิดไปเรื่องนี้ก็โลภเรื่องนี้โกรธเรื่องนี้หลงเรื่องนี้คิดแล้วสงสัยเรื่องนี้คิดแล้วหดหู่เรื่องนี้คิดแล้วฟุ้งซ่าน ไปรู้เรื่องที่คิดนะ่ะกิเลสต่างๆก็ตามมาเป็นแถวเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ยมเห็นนะใจแอบไปคิดเฉยๆรู้แค่นั้นแหละใจก็จะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทีละขณะนะชั่วแวบเดียวเดี๋ยวไม่ก็จะคิดใหม่ก็รู้เอาใหม่ในที่สุดเราก็จะเห็นเลยทั้งวันนะจิตมี2ชนิดเองคือจิตที่หลงไปคิดกับจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดจิตจะเหลือ2 อ, อย่างถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดเลยจิตจะหลงไปคิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ จิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาก็สั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้จิตทั้งที่จิตที่หลงไปคิดและจิตที่รู้สึกตัวล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับล้วนแต่บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นเราก็จะเห็นว่าทั้งสองอย่างนี้เสมอภาคกันนะทั้งชั่วและดีมีแต่เกิดแล้วก็ดับใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางหมดความดิ้นรนเมื่อใจหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งใจก็หมดความทุกข์ไปด้วยเพราะงั้นไม่ใช่ว่าโยมจะต้องฝึกให้มันไม่คิดนะ เราแค่ว่ามันคิดเรารู้มันคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้แล้วปัญญามันเกิดจะเห็นว่าจิตไปคิดกับจิตที่รู้เกิดแล้วก็ตับเหมือนเหมือนกันทีนี้พอเมื่อวานค่ะพอรู้ว่าคิดแล้วนะคะแล้วก็หยุดคิดไม่ได้ก็ก็เลยปล่อยมันก็ดูดูมันคิดไปออทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่า แค่ดูมันมันง่ายจังอันนี้ปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ถูกถูกต้องแล้วหรือยังอะคะ่ะเมื่อวานรู้ทันนะกิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้นะอย่างตอนนี้รู้สึกไหมตอนคุยกับหลวงพ่อตอนที่ไปคิดเรื่องที่จะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังจิตก็หลงไปคิด ใ, <ช>ในขณะนั้นลืมกายลืมใจไปนะถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไปคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาก็ใช้ได้ละจิตเก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอคําแนะนําหลวงพ่อว่าจะต้องดูกาย ด้วยไหมเจ้าคะต้องดูนะมีกายก็ต้องดูไก่นะไม่งั้นเดินตกท่อไปขอพระคุณค่ะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะไม่ได้จงใจที่จะดูแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้จงใจที่จะดูกายอย่างเดียวการภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาเป็นแล้วสติที่แท้จริงเกิดแล้วเนี่ยไม่มีนะคำว่าสายกายหรือสายจิตมีแต่ว่าขณะนี้มีสติขณะนี้ขาดสติ ขณะนี้มีสติอาจจะรู้กายขณะนี้มีสติอาจจะรู้จิตก็ได้ไม่สำคัญหรอกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์เท่าเท่ากันทั้งหมดคือเกิดแล้วดับเท่ากันทั้งหมดเรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับเขาเนะาะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ปฏิบัติมาเกือบสี่เดือนแล้วค่ะแล้วก่อนหนะ้านี้มันเสื่อมไปแบบมันเสื่อมไปนิดนึงคือไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนิดหน่อยแล้วภาวนาเนี่ยนะบางวันเหมือนมรรคนิพพานอยู่ต่อหน้าเราละแต่บางวันเหมือนคนภาวนาไม่เป็นอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นทุกคนแหละนี่เวลาที่เราบอกว่าเสื่อมไปเนี่ยใจเราเป็นกลางไหมคนส่วนใหญ่เวลาภาวนาแล้วบางช่วงสติไม่ยอมเกิดเลยเกิดแต่อากุศลเราก็บอกว่าเสื่อม ใจเรามีแต่โทสะแทรกเข้ามาเราไม่ชอบความเสื่อมเพราะฉะนั้นใจเมื่อที่ไม่เป็นกลางนั้นก็จะเสื่อมนานเมื่อต่อไปเวลาใจมันเสื่อมไปนะมันไม่มีสติมันไม่ตั้งมั่นหรือมันไม่ดียังไงให้เรารู้ทันตามที่เขาเป็นรู้ด้วยความเป็นกลางมันจะเจริญในฉับพลันเลยหลวงพ่อก็เคยเป็นเมื่อก่อนก็เคยเสื่อมนะต้องเสื่อมทุกคนแหละมีอยู่ช่วงหนึ่งภาวนาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ปวชตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะ นานๆไปนะเราก็ได้ยินข่าวว่าหลวงปู่สุวัสด์กลับมาเมืองไทยล้เราจะรีบไปส่งกันบ้านใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วนะแยกตัวออกมาจากโลกธาตุไปหาท่านจะไปส่งกันบ้านขณะที่ขับรถไปหาท่านตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไปกับแม่ชีนี่นะแม่ชีก็เป็นผู้โดยสารของเรานะความจริงเป็นเจ้าของรถนะเราเป็นสารตนะีขับรถไปหาท่านระหว่างที่เดินทางไปนะีจิตมันเสื่อมลง ตาแล้วจิตมันไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์มันไม่ยอมแยกแล้วจะทำยังไงเนี่ยอีกไม่กี่นาทีจะได้เจอหลวงปู่นะดึงใหญ่นะตึงใหญ่อุ้ยอุมันก็ไม่ยอมนะในสุดช่างมันวะมันเป็นไตรักนะนึกในใจอย่างนี้นะมันนึกว่ามันเป็นไตรักมันหลุดปุ๊บออกมาเลยโอ้มันเป็นไตรักแล้วมันหลุดได้นะนีพอยอมรับเท่านั้นว่ามันเสื่อมได้พอไปถึงสวนทิพนั้นหลวงปู่อยู่สวนทิพที่ปักเกร็ด เข้าไปกราบท่านนะท่านก็มองหน้าเรานะท่านก็บอกว่าบางทีจิตมันก็เจริญบางทีจิตมันก็เสื่อมเวลามันเสื่อมนะมันก็ไปรวมกับอารมณ์พอเรารู้นะเรารู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะมันก็แยกออกมาอีกนีพูดเหมือนที่เราเป็ดเปียบเลยนะที่เราจะไปส่งกันบ้านนะท่านไม่ทันได้พูดเลยนะท่านว่าให้ฟังเลยเวลาที่มันเสื่อมอย่าตกใจเรารักษาศีลไว้ เราปฏิบัติทมสม่ำเสมอทุกวันส่วนผลที่ได้นั้นจะดีบ้างจะร้ายบ้างก็เรื่องของเขาการภาวนานั้นถ้าดีตลอดไม่มีวันเสื่อมเลยดีไม่ดีจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิจะรู้สึกว่ามันเที่ยงนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่เที่ยงอาจารย์มหาบัวเคยบอกว่านะไม่ว่าภาวนา น, น้มือระดับไหนนะถ้าไม่ใช่พระอราหันต์นะยังเสื่อมได้เพราะนั้นเป็นเรื่องปรติ ถามอีกนิดนึงค่ะหลวงพ่อคือตอนนี้ใช้วิหารธรรมเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็พุทโธแล้วก็ดูจิตไปค่ะแต่มันฟุ้งตลอดเลยประมาณเก้าม่ได้ า, าเาาาปอห้เห็นตนน้เอ ง, งทงองั้ง แล้ ว, ล ว, ลวอาการวูบๆเคยเกิดขึ้นครั้งสองครั้งแบบวูบนิดเดียวไอ้อย่างนี้ก็วูบเพื่อน<ม>จิตลงผวังก็ช่างเขาอะไรไม่มีในย่าอะไระเป็นเรื่องปกติพระคุณค่ะมีเพื่อกี่คนที่จะถามหลวงพ่อ14บสี่เหรอเอาเชิญกล่าวธรรมสการหลวงพ่อประมรุขกล่าวขอเรียนถามว่าภาวะจิตของเราปกติเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกายในใจเรา เพราะฉะนั้นเราดูแต่ความเป็นปกติของเรา น, นี่ไม่ทราบว่าเป็นความเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับออก็ดูไปธรรมดานะแต่ไม่ใช่ดูความเป็นปกติของมันหรอกเพราะมันไม่ปกติบ่อยๆส่วนใหญ่มันไม่ปกติเรกเพราะกิเลสมันจอนมาจิตนั้นโดยตัวมันเองประภัดสอนมันฝป่งใสแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่จอมาแต่ว่ากิเลสจะจอนเราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตปกติไม่ค่อยปกติหรอกนะ จิตคนทั่วๆไปนะจะเวียงขึ้นเวียงลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเราตามดูของจริงไปเรื่อยจนเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันได้เองอเชิญต่อไปนวัตกรารหลวงพ่อครับ เ, เวลาผมฝึกทําสมาธินีครับก็จะต้องความรู้สึกที่กายบ้างที่ใจบ้างแล้วบางทีก็จะคิดตลอดเปิดเปลงไ ป, ไ, ปไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเป็นอย่างนี้ประจํเนะเพราะทังบางครั้งนี่ก็เคลิ้มหลับไป นี่อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าทํากรรมฐานอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับของคุณต้องเคลื่อนไหวไว้นะกระดุกกระดิกไว้อย่านั่งอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวไม่พอนั่งแล้วมันจะเคลิมง่ายแต่ไม่เคลิ้มก็ฟุง้งซ่านยา้ำเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินเดินไปเดินไปเห็นจิตแอบไปคิดเดินไปเดินไปเห็นจิตมาเพ่งอยู่ที่แกของคุณติดเพ่งนะเขาไปนั่งปุ๊บจะเข้าไปเพ่งนิ่งๆอย่างนีอ้อย่าไปเพ่งให้นิ่ง ตามดูความจริงของเขาตอ น, นที่หลวงพ่อจะมาเจอหลวงปู่ดุลย์หลวงพ่อตั้งแต่เจ็ดขวบเมื่อ 2,502 ังตอนนั้นพ่อพาไปเรียนกับท่านพ่อหลีวัดโศการามเรียนหายใจเนหลังจากนั้นก็เรียนแล้วก็ทำแต่สมถะอยู่22ปีทำสมถะเร็วมากเลยคล่องแคล่วเพราะว่าทำนาน แต่ว่ามันไม่มีปัญญามันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเวลาความทุกข์มานะถ้ามาหายใจหายใจก็สบายใจไปพอเลิกหายใจก็ทุกข์อีกมันแก้ปัญหาได้ชั่วคราวแล้วเราอย่าน้อมใจให้นิ่งท่านพอ่อหลีท่านเก่งนะแต่ตอนที่หลวงพ่อไปเรียนกับท่านน่ะท่านอยู่อีกสองปีท่านก็สิ้นไปแล้วเราเลยไม่มีโอกาสได้เรียนมากตอนนั้นเด็กด้วยท่านสอนแต่สมถะให้ขึ้นมิปัสนาไม่เป็นก็าทาแต่ความสงบไปเรื่อย ใจก็นิ่งๆอยู่นั้นไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ท่านดีนะไม่ใช่ท่านไม่ดีเราอะยังไม่ดีพอที่ท่านจะสอนวิปัสสนาให้จเจอนะเจอหลวงปู่ดูลณ์นะีท่านสอนให้ดูจิตดูกายก็ได้นะดูจิตก็ได้ไม่ใช่ต้องดูจิตทุกคนแล้วแต่จริตนิสัยของโยมยังติดเพ่งอยู่จิตมันยังนิ่งเกินจริงไปนิดนึงพยายามปล่อยทําตัวเป็นแค่คนดู แล้วกระตุกกดิกให้มากมากไปเคลื่อนไหวให้มากๆอย่านั่งนิ่งถ้านั่งนิ่งยิ่งเพ่งเก่งเรื่ยากนะเพ่งเร่อยยากโ<ม>ยมดูออกไหมว่าโยมเพ่งอยู่โยมดูออกไหมจิตขณะนี้ของโยมเนี่ยกับจิตตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันไม้ออกไหมไม่เคออกครับนนิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืน <laughs> นะอย่าไปกดไว้นะถ้ากดไว้จะติดอยู่อย่างนั้นแหละ เดี๋ยวค่อยๆมาเรียนในนี้ก็มีคนหลายคนนะคนสืเมธสุบศักดิ์คนอะไรพวกนี้ลองลองไปถามเขาว่าทำยังไงจะไม่เพ่งนะครับขอบพระคุณครับอาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตส่งกันบ้านค่ะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เผลอไปคิดค่ะเราก็จิตพุ่งไปที่หลวงพ่อค่ะต้องไงอีกเขารู้สึกว่าเท่าที่ฝึกมาหลวงพี่คิดแล้วรู้สึกไหม ใช่เจ้าค่ะใช่หรือไม่หลอกหรอกแล้วงนอีกละเอียดขึ้นนะคะดีดูเขาทํางานนะเห็นไหมเขาทํางานทั้งวัน <S <S เขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นตอนนี้ใจวิ่งมาหาหลวงพ่ออีกแล้วรู้สึกไหมค่ะดูเขาทํางานนะถึงวันหนึ่งเราก็จะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันได้เองเขาที่ทําอยู่ทุกวันนี้นี่ใช้ได้ไหมคะหลวงพ่อไม่ได้สิอย่าเลิกนะทําไปเรือ คุณจ้ะค่าำมันส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งแรกเดือนพฤศจิกายนะคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าจิตหนูทื่อๆค่ะทีนี้ผ่านมาห้าเดือนตอนนี้ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นสินะดูออกไหมลนะ่ะจิตเป็นคลายกว่าแต่ก่อนก่อนมันแข็งนี่มีปัญหาเรื่องเรื่องหนูฝึกพองยุบมาน่ะคะ่ะแล้วไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนว่าให้แยกจิตออกมาเป็นผู้ดูไกลพองยุบมาจะแยกออกมายัางไงฮะ ค่อยๆสังเกตนะร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบใช่ไหมสังเกตแม่ใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูค่อยๆแยกอย่างนี้นะเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยเห็นไหมร่างกายมันยกมือนะทําตัวเป็นคนดูเราดูร่างกายนี้เหมือนเราดูคนอื่นค่อยๆฝึกอย่างนี้นะั้นดูร่างกายตัวเองเนี่ยเหมือนเรากําลังดูคนอื่นอยู่ฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกฝกนี่คือเราคิดหรือว่าเรามันเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกอ่นะ อย่างตอนนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความสงสัยทราบไหมความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เนี่ยความสงสัยมันอยู่แล้วพอเรารู้ทันมันจะหายไปเราก็จะเห็นเลยว่าความสงสัยเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูฝนะึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปก็เห็นในร่างกายก็ของถูกรู้ถูกดูนะกิเลสทั้งหลายกุศลทั้งหลายเวทนาทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูฝึกจิตแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหม ไหมเมื่อกี้พยักหน้านี่ติดเพลงอีกนันแหละไ ม, ม่ทราบจะให้หลุดจากเพลงได้ยังไงนะคะหลวงพ่อเลิกปฏิบัติซะเลิกกําหนดนะแล้วก็ค่อยรู้ความรู้สึกทําตัวเป็นคนธรรมดาคนที่ทําวิปัสนาได้ดีที่สุดนะคือคนธรรมดาเราอย่าน้อมใจให้นิ่งอย่าน้อมใจให้ว่างแ ล, แล้วอย่างหนูนี่ควรจะฝึกดูกายหรือดูจิต ท, ที่จะเหมาะกับจริตนะคะ ถ้าเหมาะก็บจิตเลยเนี่ยต้องดูจิตแต่ตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะดูจิตเพราะว่าติดเพ่งไปเคลื่อนไหวนะแล้ว ก, ก็ดูร่างกายไปผมคนเล็บฟันหนังค่อยนึกถึงมันเนี่ยยังส ม, มติจับผมลองจับผมตัวเองดูสิลองจับนะลองดึงหน่อยดึงดึงรู้สึกให้ผมเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าค่อยๆดูไปตีอะส่วนนะลองดึงขนคิ้วสิขนคิ้วจริงหรือเปล่ามีไหมถ้ามีลองสัมผัสดู รู้สึกไหมขนคิ้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าลองดึงผมใหม่ผมมันบอกไหมผมมันบอกไหมว่าเป็นตัวเรารู้สึกไหมผมเป็นสิ่งที่ถูกดูลองจับมือตัวเองจับแขนดูรู้สึกไหมแขนเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปให้พวกพี่ก่อนนะเขาบอกให้นะสอนอย่างนี้เสียเวลาเอาคนต่อไปธรรมสการ แป๊บหนึ่งนะคนที่ส่งกันบ้านเศรษฐกีจเนี่ยใจลอยไปแล้วซ้ำไหมเนี่ยใจลอยรู้ว่าใจลอยไปนะแล้วเลิกปฏิบัติไปก่อนแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปนะแต่ถ้าจะปฏิบัตินะก็คอยคิดเรื่องกายไหมรู้สึกถึงร่างกายไหมนะมันจะกระตุ้นไม่ให้จิตติดเฉยอวันนี้ขออนุญาตส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองจ้ะค่ะอืก็ที่สังเกตดูนะคะ จะมีสติดีเวลาขับรถแล้วก็เวลาฟังหลวงพ่อฟังซีดีอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็จะหลงยาวแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่ามีสติตามรู้ได้ถี่ขึ้นนะคะ อ, อ, อยากเรียนทำหลวงพ่อว่ า, าดูเป็นหรือยังเจ้าค่ะดูเป็นนั่นแหละนะดูเล่นๆไปไปขับรถ บ, รถบ่อยๆฟังซีดีไปนะทำอะไรแล้วใจเราตื่นแล้วว่าวันนั้นแหละกอ็อยาก ไม่ทราบว่าจลิตตัวเองเนี่ยควรจะทำกรรมฐานอะไรจะคะดูอะไรใต้ก็อ่อนนั่นแหละนะควรทําสมถะได้ไหมคะติดสมถะหละก็นั่งทําสมถะบ้างก่อนนอนจะ <c oughs> ได้ได้ทํานะทําไม่มากนะทังที่เดียเดินดี ก, กว่านั่งเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินเดินไปจนเมื่อยก็ลงไปนั่งเห็นร่างกายมันนั่งใเของเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆดูกายนี้แสดงละครให้ดู ทำตัวเป็นคนดูละครนะ่ะนะละครคือกายมันแสดงให้ดูบ้างใจมันแสดงให้ดูบ้างทำตัวเป็นคนดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นความจริงทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเหรอกใจแอบิคิดนะ่ะรู้สึกไหมแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นก็เลยไปเพ่งให้นิ่งนะให้รู้ทันลงปัจจุบันไปรู้สึกว่าอยู่ๆมันก็ว่างไปเลยจ้ะพ่นแหละไม่เอาตรงนั้นนะมันไปเพ่งแล้วมันนิ่งไปเลย อย่าให้อยู่เฉยหลวงปู่มั่นเคยสอนว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะักเชิญต่อไปครับคุณนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะใจมันตื่นขึ้นมาแล้วค่อยรู้สึกเอารู้สึกไม่ใจเราไม่เหมือนแต่ก่อนตอนมันแข็งแข็งนะอันนี้มันปโปร่งโล่งเบามันสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไปที่ฝึกอยู่ถูกแล้วนักคนต่อไปค่ะนรมสักการเจ้าค่ะ คือานูอยากจะทราบว่าการที่เรามีสติรักษาศีลในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยค่ะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งหรือเปล่าอะค่ะเป็นสิน ะ, ะแล้วก็มีสติเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเรื่องศีลหรอกถ้ามีสติอย่างแท้จริงนะศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคนเราผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันครอบงําจิตได้เช่นความโกรธมันครอบงําจิตใจเราได้เราถึงไปด่าเขาถึงไปตีเขาถึงไปฆ่าเขาไนมะผิดศีล แต่ถ้าเรามีสติอยู่เราเห็นความโกรธผุดขึ้นในใจนียเราเห็นเลยความโกรธจะสลายตัวไปเราไม่ผิดศีลโดยอัตโนมัติเพราะฉะั้นถ้ามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นแกัจิตนะไม่ต้องพูดเรื่องรักษาศีนศะีลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจจนเกิดปัญญาเั้นมีสติไว้แหละดีแล้วมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญา กับการนั่งสมาธิยังไงอะคะหลวงพ่อนั่งเหรอนั่งดูกายมันหายใจไปไม่ใช่นั่งน้อมจิตให้ไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เคลิมลงไปเราเปลี่ยนวิธีนั่งนะหลวงพ่อแต่ก่อนนะนั่งแล้วให้จิตไปอยู่ที่ลมดูลมไปเรื่อยจนกระทั่งลมนะกลายเป็นแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างต่อไปจนกลายเป็นดวงสว่างแล้วทิ้งตัวลมแล้วเรามาดูตัวปฏิภาคนิมิต น, นี้แทนเพื่อเป็นการทําสมถะ นี่เราเปลี่ยนวิธีหายใจนะหายใจไปใจของเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจไม่นั่งเอาเคลิมหรอกนั่งเอารู้สึกตัวความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดเลยค่ะอย่างที่หนูปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นี่ถูกทางบังคับมากไปค่ะตอนที่นั่งสมาธินี่ยังน้อมใจให้นิ่งอยู่น้อมใจให้เคลิมอยู่นั่งรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งให้เคลิมนะค่ะกล่าวนามสการค่ะต่อไป แบบนักงานหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อยากจะเรียนหาหลวงพอว่าการทําสติให้เกิดขึ้นในขณะที่เราทํางานก็ดีหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําได้รวดเร็วไม่มีเวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดเนี่ยนะจิตใจเราจดจ่ออยู่ใ น, นงานจิตใจเราจดจ่ออยู่ในเรื่องที่คิดขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยในภาษาปริยัติเรียกว่าเรารู้อารมณ์ที่เป็นสมมติบัญญัติ ในขณะนั้นจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าอยากรู้กายอยากรู้ใจนะเราก็ฝึกรู้สึกไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็พอถึงเวลาทํางานนะตั้งใจทํางานไปเราตั้งใจทํางานหรือเรากําลังจะทํางานแล้วถูกหัวหน้าเรียกเรื่อยๆเราชักโมโหเหงี้ยเราค่อยรู้ว่าโมโหหรือเราตั้งใจอยากรีบให้งานเสร็จไวๆจะรีบทํางานนะโทรศัพท์มาบ่อยๆเราหงุดหงิดแล้วเรารู้ว่าหงุดหงิดนะทำงานไปแล้ว เ, เกิดความขี้เกียจขึ้นมามีสติรู้ทันว่าขี้เกียจแล้ว แต่เวลาที่เป็นปกติอยู่นะก็จดจ่ออยู่กับงานไปเวลาทำงานไม่ใช่เวลาเจริญสตินะเพราะกฟผเขาไม่ได้จ้างเรามาภาวนาเขาจ้างเรามาทำงานนะเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักคนหนึ่งนะมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อแล้วมาฟ้องหลวงพ่อกว่าหัวหน้ากองของเขาเนี่ยใจบาปเขาจะเดินจงก่มเพราะจะภาวนานะคอยเรียกไปใช้งานเรื่อย เราบอกนั้นมันใจบูญมากนะถ้ามาเป็นลูกน้องเราเราจะไล่ออกเลยเขาจ้างมาทํางานไม่ได้จ้างมาเดินจงกรมงั้นเดินจงกรมไปเดินที่บ้านตอนกินข้าวกลางวันจะเดินไปโรงอาหารรู้สึกตัวไปนี่เรียกเดินจงกรมตอนเย็นจะเดินไปขึ้นรถกลับบ้านรู้สึกตัวเดินไปนี่เรียกเดินจงกรมนะไปแวะศูนย์การค้าเดินชอปปิ้งเห็นร่างกายมันเดินอยู่นี่เรียกว่าเดินจงกรมเดินอย่างมีสติเรีว่าเดินจงกรม นะเวลาฝึกเจริญสติของเราในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยนะเวลาที่ทํางานที่ต้องใช้ความคิดไม่ใช่เวลาเจริญสติเป็นเวลาที่เราต้องทํางานต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราตอนไหนควรจะทําอะไรนะแต่ว่าพอเราตั้งใจทํางานแล้ว เ, เกิดความขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยหรือเกิดเบื่อหรือเกิดเซงเกิดโมโหโเกิดอะไรขึ้นมานะคอยรู้ทันใจของเราใจเราก็จะสงบเพื่อมาพอจิตใจเราสงบแล้วก็ตั้งใจทํางานต่อไปงานของเราจะดีขึ้นด้วย แล้วปัจจุบันนี้ที่นั่งสมาธิคองใจ<ด>ให้นิ่งเกินไปนะยังนิ่งมากไปนิดหน่อยแต่ใจก็เริ่มตื่นขึ้นมารู้สึกไม้มใจมันสว่างกว่าแต่ก่อนดูออกไหมเป็นบางครั้งเจ้าค่ะเอใจมันก็เริ่มคลายตัวออกมาละอย่าไปเพ่งไว้นะปล่อยให้มันทํางานแล้วก็ตามดูไปรานาสการหลวงพ่อค่ะคือได้ฝึกดูจิตมาประมาณหเดือนได้แล้วค่ะอ น, นี้ไม่ทราบว่า น, ะ น, นเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นกิเลสไหมแต่ละวันฟุ้งซ่านบ่อยอะค่ะเห็นเห็นกิเลสเกิดบ่อยๆยิยย่งดีนะเวลาเรามีความคิดเนี่ยพอเราสติเราเห็นปุ๊บมันก็จะดับไปแต่ว่าในช่วงที่มันดับไปบางทีก็พอหลังจากนั้นเราจะรู้สึกว่าเราปฏิบัติต่อไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องการปฏิบัติธรรมนะคือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือขณะจิตต่อหน้าเรานี่เองเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะ ไม่ต้องไปดิ้นดนพลนกว่าว่าจะทํำยังไงอย่างถ้าเกิดเวลาเวลาที่เราเห็นแล้วแล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอันนี้มันเกิดจากความคิดหรือว่ามันเห็นจากใจเราถ้าเราเห็นจริงนะถ้าเราเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับในใจเราจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมาอันนี้เป็นของจริงถ้าไปคิดเอาหรือไปเพ่งเอาใจจะหนักๆใจจะแน่นๆถ้าหนักๆแน่นๆทําผิดแล้วไม่ทราบว่าจิตนี้ตื่นหรือยังหรือพักทานตืแล้ว เดินขึ้นมาแล้คุณค่ะกราบนรมาส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะเวลาดูจิตแล้วก็เห็นว่ามีความโกรธแต่เป็นนิสัยที่ชอบข่มความโกรธโดยเอาเหตุผลอย่างนี้นเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็หันมาดูจิตอีกก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันก็มันก็เหมือนคลื่นหัวใจที่มันเต้นก็จะเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็จะติดนิสัยข่มความโกรธนะเจ้าค่ะไม่ไปข่มนะ แล้ข่มเฉพาะทางกายทางวาจาเช่นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ปล่อยให้มันล้นออกมาทางกายทางวาจาไปดา่าพิตีใครอะไรเงี้ยไม่เอาข่มบังคับไว้ไม่ให้ล้นทางกายทางวาจาเรียกว่ามีศีลไว้แต่ทางใจเราจะไม่เก็บกดชาพุทธไม่ใช่นักเก็บกดนะชาพุทธเป็นนักรู้เพราะฉะนั้นความโกรธเกิดขึ้นเรานั่งดูไปเราเห็นใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะใจมันโกรธเราเป็นแค่คนดู อดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะความโกรธจะสลายตัวไปเองอแต่ถ้าข่มไว้ไม่หายหรอกไม่ไ ม, ไม่คือภายนอกก็จะดูเรียบเหมือนไม่มีความโกรธนะเจ้าค่ะแต่ใจก็มองไปเรื่อยๆก็เหมือนเป็นคลื่นอยู่เรื่อยๆ ถ, ถูกต้องเลยถ้าเห็นเป็นคลื่นนะถูกต้องเลยเป็นคลื่นเหมือนเหมือนคลื่นหัวใจนะจใช่เจ้าค่ะเราเป็นคนดูเฉยๆนะเราไม่ไปบังคับให้มันหายไปไม่ถ้าบังคับน่าเรื่องไ่ข่มไว้ไม่ดีเราจะเห็นมันเป็นคลื่นปั๊บปั๊บบ หลวงพ่อเคยเป็นนะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนานแล้วยีกว่าปีแล้วมีช่วงนั้นเห็นมันไหวอย่างเงี้ยว่าว่าว่าเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนเลยนะแล้วตอนนั้นลืมทําสมถะไปทิ้งสมถะเนี่ยผิดเลยจเจริญปัญญาแล้วทิ้งสมาธิไปนานๆใช้ไม่ได้นะพอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากข้าแล้วมันเต็มไปด้วยความทุกข์วิ่งไปหาหลวงพ่อพุทธนะไปถามท่านจะให้ท่านแก้ให้ท่านก็แก้ไม่ตกนะท่านสอนสๆนส เสร็จแล้วเขียนเจอหมายไปถามอาจารย์มหาบัวท่านส่งหนังสือมาให้เล่มทําเตรียมพร้อมะว่าเปิดปุ๊บเนะี่ยเจอหน้าที่เราจะถามท่านเลยท่านสอนบอกว่าภาวนาพอถึงขั้นที่มันละเอียดขึ้น ม, นะมันจะเหลือแต่ไหวยิบยับมันยิบยับยิบยั บ, ย, บ, ย, บยิบยับนะ <Okay. S 1> รู้เฉยเฉยแต่ว่าถ้ามันนานไม่ได้พักจิตไม่ยอมพักเลยก็ต้องทําความสงบเข้ามาก็าจิตก็จะเป็นคลื่ น, ลนแล้วก็มันเหมือนกับคลื่นมันจะค่อยๆลงไปแล้วก็มันก็เหมือนเป็นจุด ปราบปราปราบปรเป็นเรื่องนะแลก็อย่าให้ซึมลงไป <Okay. S 2> ออกมากระทบอารมณ์บ่อยๆอย่าไปน้อมใจให้ละเอียดขนาด น, นั้นเขาหลวงพ่อช่วยให้กรรมฐานที่ถูกกระจริตเจ้าค่ะคุณของคุณดูจิตได้ละเอียดอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่ว่าต่อไปนี้พยายามกระทบอารมณ์ภายนอกให้มากๆหนะ่อย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าหลงไปดูความไหวภายในมากๆเดี๋ยวจะเข้าไปติดอยู่ข้างในคิดแล้วนั่นแหละออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้อนะ <Okay. S 2> ย่าเอาแต่ความสุขภายใน กราบในวส ก, การเจ้าค่ะโยมข อ, อความกรุณาหลวงพ่อช่วยแ น, นะนํำวิธีการปฏิบัติในการรับมือกับกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นจากจิตใจของโยมเองหรือไม่ก็กิเลส ท, ที่เกิดจากไปรับรู้กิเลสของคนอื่นเนาะไปรับรู้กิเลสคนอื่นถ้าเราสักว่ารู้สักว่าเห็นมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราใช่ไหมปัญหาก็คือใจเราอันี้แหละปลุงกิเลสขึ้นมาก่อน เช่นเราไปเห็นอันนี้แล้วใจเราไม่ชอบขึ้นมาเราไปเห็นสิ่งนี้เห็นคนนี้ใจเราชอบขึ้นมาจิตเรานี่แหละปรุงกิเลสขึ้นมาก่อนถ้าสติไม่ทันตอนที่จิตปรุงกิเลสนกิเลสนั่นแหละจะย้อนกลับมาปรุงแต่งจิตของเราเช่นพอความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็ไปดา่าไปตีเขาความโลภเกิดขึ้นเราก็อยากได้ทุรนทุรายอะไรออกไปไม่มีอะไรมากกว่าการที่คอยรู้ทันไว้มีสติไหม ชาวพุทเราต้องเจริญสติเรื่อยๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีกิเลสไม่เคยสอนเลยนะท่านเคยสอนแต่ว่าภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีก็รู้รู้อย่างเดียวแอย่าประคองใจนะตอนนี้ติดการประคองใจให้นิ่งๆแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะตรงนี้ใช้ไม่ได้นะจิตขณะนี้ใช้ไม่ได้นิ่งเกินไปอย่าไปรักษาไว้ ไปรักษาไว้แล้วละลอยมันออโยมปฏิบัติมาในระยะหนึ่งแต่ว่ายิ่งปฏิบัตินี่มีความรู้สึกว่ายิ่งมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับในตัวเองอยากอขอคือการปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่มีอะไรมันคือการเรียนรู้ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในกายในใจไม่เห็นจะมีอุปสรรคตรงไหนเลยเช่นช่วงนีปน้ปัญหาชีวิตเยอะขึ้นใจเราไม่ชอบรู้วิจัยไม่ชอบนี่ ไม่มีใครหลอกทําความทุกข์ให้เราไดนะ้คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วเราคอยมีสติรู้ทันนะสิ่งภายนอกไม่มีความหมายอะไรไปดูไปสินะดูออกไหมใจไม่ชอบแม้พอเราเจอสภาวะอย่างนี้ใจเราไม่ชอบใจเราก็ดิ้นรนใจเราปฏิเสธใจเราก็ไม่มีความสุข ถ้าเจอทุกสิ่งทุกอย่างนะเราสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเราเป็นกลางจริงความสุขก็ไม่ความสุขมันมีขึ้นมาเองความทุกข์ไม่มีนะคนเรามีความทุกข์ในใจได้เพราะไม่ยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ขอบพระคุณจ้ะค่ะนรมาตการหลวงพ่อนะครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นเอาดังๆนี่เธอหลวงพ่อแก่แล้วอูตึงครับก็ค่อนค่อนข้างตื่นเต้นตอนนี้นะครับก็ วันไหนอารมณ์ดีเนี่ยจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ได้ดีครับเหมือนว่าอย่างวันนี้เจอหลวงพ่อแล้วอารมณ์ดีก็รู้สึก น, นู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยอย่างดีนะเจอหลวงพ่อแล้วอารมณ์ร้ายน่ากลัวมากเลยครับก็แต่จะมีปัญหาว่าบางวันแบบถ้าเจออารมณ์แรงๆแบบว่าเศร้าเสียใจมากๆเนี่ยมันก็หลุดไปเลยแบบว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้ต้องค่อยๆฝึกเอาเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ได้แต่เฉพาะอารมณ์ที่รุนแรงก่อนมีสุขมากๆก็รู้มีทุกข์มากๆก็รู้ โกรดมากๆหรืออยารู้อะไรเงี้ยแล้วเราฝึกมากเข้ามากเข้านะอารมณ์ที่ละเอียดที่ประณีตเนี่ยเราก็รู้ทันได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นค่อยค่ฝึกเอาใจเย็นๆหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้นี่พ อ, อ น, นี่เหรอตอนนี้กดเอาไว้แต่ว่าถ้าถามว่าช่วงชีวิตธรรมดาธรรมดาตอนที่ยังไม่เจอหลวงพ่อตอนเนี้ยใช้ได้ไหมใช้ได้นะ มันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนแล้วมันไม่เพ่งหมดแล้วเหรอหมดเวลาหรือหมดคนถามสรุปนะสรุปพระพุทธเจ้านะสอนเราเพื่อให้วันหนึ่งเราจะต้องพ้นทุกข์จาไว้นะเป้าหมายของชาวพุทธคือต้องพ้นทุกข์ให้ได้ชีวิตของคนเราเกิดมาเนี่ยเต็มไปด้วยปัญหามากมายเลยถ้าเราไม่รู้จักที่จะดารงชีวิตอย่างฉลาด ความทุกข์มันจะเข้ามาหาเราทั้งวันเลยแลนั้นเราต้องฝึกตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆความทุกข์ทั้งหลายเนี่ถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่กายที่ใจนี่เองถ้าเราคอยมีสติคอยรู้นะความทุกข์เข้ามาที่กายเราจะเห็นไล้กายมันทุกข์แต่ไม่เกี่ยวกับเราจิตใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เกี่ยวกับเราจิตใจมันโลภจิตใจมันโกรธจิตใจมันหลงจิตใจมันเป็นไงก็ไม่เกี่ยวกับเราใจมันใจค่อยๆแยกตัวออกมานะ ห่างออกมาจากกายจากใจเวลาเคยได้ยินคำว่าวิมุตต์ไหวิมุตต์วิมุตตแปลว่าความหลุดพ้นถามว่าหลุดจากอะไรข้างๆนี้มีวัดชื่อวัดวิมุตตใช่ไหมวิมุตตก็คือจิตมันเนี่ยหลุดพ้นจากความยึดถือในกายในใจถ้าเรายึดอะไรเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจเราก็จะไม่ยึดอะไรอีกในโลกนี้ ทำไมใจเราถึงจะพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจได้เพราะเรามีปัญญาเราเห็นความจริงของกายของใจแล้วว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษทุกวันนี้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจพวกเรายังมีอวิชชาอยู่อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจอริยสัจข้อแรกนะชื่อทุกขสัจสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัจคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเลยบอกว่าวโดยสรุปนะตัวขันนี่แหละตัวทุกข เราขันนี้แหละคือตัวทุกข์เราบอกว่าพวกเราศึกษาศาสนาพุทธพวกเราเข้าใจอริยสัจถามว่าเข้าใจจริงไหมเข้าใจไม่จริงหรอกในห้องนี้มีใครที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใครเห็นว่าจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมีไหมไม่มีใช่ไหมเราเห็นอะไรเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจของเรานี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง ยังมีทางเลือกอยู่นะบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรับใดที่เรายังเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนะี่ยเราจะมีการดิ้นรนที่จะสแสวงหาความสุขเราจะอยากได้ความสุขเราจะดิ้นรนนะเพราะว่าเรามีความอยากที่จะพ้นทุกข์ความดิ้นรนความอยากนีแหละเรียกว่าตัวตัณหา ดังนั้นถ้าเมื่อไร่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราเห็นเนะื้อกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนี้นะใจหมดความยึดถือในกายในใจมันจะพ้นทุกข์ความอยากที่จะให้กายให้ ใ, ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ ใ, น ใ, นใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะรู้ความจริงแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีทางหรอกที่จะทําให้มันเป็นสุขพอรู้แจ้งอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้ง พอรู้ทุกแกมแจ้งนะก็จะละสมูทัยอัตโนมัติจะละความอยากโดยอัตโนมัติมันไม่มีความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อีกแล้วเพราะรู้ว่าพ้นไม่ได้เพราะกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขที่เรียกว่ารู้ทุกขนะ์เ ม, มืททม่อไหร่นะก็จะละสมูทัยเมื่อนั้นถ้าละสมูทัยเมื่อไหร่ใจหมดความอยาก จิตใจก็จะหมดการดิ้นรนจิตใจที่หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งก็จะไปเห็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่พ้นจากความดิ้นรนพ้นจากความปรุงแต่งนั่นก็คือนิโรธหรือนิพพานเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็จะละสมุทัยแล้วก็เห็นนิโรธแจ่มแจ้งนิโรธประจักษ์ในนิโรธในฉับพลันนั้นเลยนาจิตซึ่งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจนละสมุทัยจนแจ้งนิโรธนาจิตนั่นแหละเรียกว่าอาริยมรร จิตที่เกิดอริยมรรคนะจะรู้ทุกข์จนลาสมูไถ่แจ้งนิโรจนอยู่ในขนาจิตเดียวกันเลยถ้าใครภาวนามาถึงตรงนี้ได้นะก็จะพ้นทุกข์ถาวรแล้เพราะละอาวิชาไปแล้วพวกเรายังมีอวิชาเรายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอยู่เรายังไม่ได้เห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนล้วนมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยจิตเป็นท yes, ุกข์ล้วนล้วนมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยนั้นทํำยังไงเราจะเห็นความจริงว่ามันทุกข์ล้วนล้วน รู้สึกตัวแล้วตามดูมันไปเรื่อยๆนะเบื้องต้นก็จะเห็นเลยว่ากายใจมันทํางานของมันเองถ้าเห็นตรงนี้นะจะได้โสดาบันรู้แล้วมันไม่ใช่ตัวเราฝึกต่อไปอีกจะเห็นเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะสถานการสลัดคืนนี้มีภาษาบาลีเรียปฏินิสสขะสลัดคืนไปมีวิมุตต์หนะลุดพ้นจากกายจากใจ พอไม่ต้องยึดถือกายไม่ต้องยึดถือใจก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดก็คือตัวเราเองสิ่งที่เรารักและหวงแหนที่สุดก็คือตัวเราเองถ้ากระทั่งกายก็ไม่ยึดใจก็ไม่ยึดก็จะไม่ยึดอะไรอีกนะค่อยฝึกนะการภาวนาการปฏิบัติธรรมมีแต่เรื่องมีสติรู้กายรู้ใจตั้งแต่ต้นจนจบสายของการปฏิบัติเบื้องต้นคอยรู้กายรู้ใจไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ กายมันทำงานใจมันทำงานไม่มีตัวเราเนี่ยเห็นอย่างนี้นั้นไต้ประโสดาบันถ้ารู้ความจริงลงไปกายนี้เป็นทุกข์ล้นล้นเลยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะจิตหมดความยินดียินร้ายในกายนี้นะหมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสปรทัพนระหมดความยินดียินร้ายในตาหูจมูกลิ้นกายก็หมดกามและปฏิฆะเป็นพระนาคามี รู้กายรู้ใจต่อไปอีกแต่ว่าการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายเนะี่ยมันจะบีบวงกระชับเข้ามาที่จิตอันเดียวเลยนะเพราอกายนี้มันรู้แจ้งแล้วมันจะเหลือแต่จิตอันเดียวเราเห็นว่าจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เป็นตัวสุขจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นตัวทุกข์นี่เรายังเห็นผิดอยู่วันใดเกิดปัญญาเห็นแจ้งว่าตัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์นะวันนั้นแหละจะสลัดคืนจิตให้โลกเมื่อไรสลัดคืนจิตให้โลกไปนะเมื่อ น, นั้นเรียกว่าพระอรหรัน พ้นจากรูปจากนามทั้งหมดนะชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่มีความปลอดโปร่งมีความโปร่งเบาอยู่ตลอดเวลานะโลกจะแตกต่อหน้าต่อตานะใครจะเป็นใครจะตายกระทั่งร่างกายนี้จะตายใจเราก็ยังเบิกบานอยู่อย่างนั้นเองความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้อีกพวกเราทุกคนมีบุญวาสนามากนะเราได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราได้ฟังธรรมะที่อศัศจรรย์ที่สุดคืออริยสัจ ถ้าเรารู้แจ้งตามที่ท่านสอนนะหัตรู้สึกตัวดูกายดูใจอย่าไปเพ่งมันดูไปวันหนึ่งก็แจ้งในกายในใจการปฏิบัติมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจทั้งสิ้นเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะไม่มีเกินนี้ออกไปหรอกส่วนการทําสมถะนั้นทําเพื่อพักผ่อนเป็นครั้งเป็นคราวให้จิตมีเรี่ยวมีแรงจะได้มาคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงบุญที่สุดแล้วนะได้เป็นชาวพุทธอย่าทิ้งให้เสียเปล่าเปล่าไปชาติหนึงนะ ชาตินี้ได้ฟังธรรมาแล้วจเจริญสติไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเอาเท่านี้นะข อ, อพวกเราน้อมจิตให้เป็นกุศลนะครับถวายจีวรด้วยกันนะครับพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายายจีวรเพื่อให้หลวงพ่อประโมทขอให้เกิดประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิด ยถาวาริวหาปุราปริปปูเรนตีสากรางเอวเมวายโตทินังเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสเปปูเรนตูสังกปาจันโทปันนราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสปีติโยวิวัชชนตูสปโรโขวินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะ ภิวาธานาสีลิสนิจังวุธาปจจายโนจั ต, ตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังมีความสุขนะช่วยตัวเองภาวนาเข้าแล้วเราจะได้ริมรสชาติของธรรมะนะมีความสุขที่สุดเลย